พระเมตตาต่อสัตว์โลกของเจ้าพระคุณสมเด็จครั้งหนึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จท่านมีกิจนิมนต์ที่อื่นทางลูกศิษย์และพระผู้น้อยได้มีความเห็นว่าวัดบวร น, นั้นเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชจึงควรจะดูสบายตากว่านี้จึงได้แจ้งให้ทางเทศบาลมาจับหมาและแมวจอนจัดในวัดไป ครั้นสมเด็จท่านกลับมายังวัดพระองค์ทรงเห็นว่าหมาแมวในวัดหายไปเป็นจํานวนมากจึงได้ตรัสถามไปยังลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็ชี้แจงให้ทราบพระองค์จึงมีรับสั่งว่าพวกเขามาอาศัยวัดพวกเราก็อาศัยวัดเหมือนกันจึงมีรับสั่งให้ลูกศิษย์ไปติดต่อกับทางเทศบาลเพื่อนําหมาแมวของวัดบวรกลับมาไว้ที่เดิม นอกจากนี้พระองค์ยังมีอง ค, ครักษอีกตัวหนึ่งเป็นไก่แจ้ชื่อเจ้าบอดเพราะตามองไม่เห็นทั้งสองข้างแต่เมื่อไหร่ที่พระองค์ตรัสเรียกเจ้าบอดเจ้าบอดก็จะวิ่งมาหาพระองค์ทุกครั้งและเมื่อพระองค์เสด็จลงอุโบสถหรือเสด็จกลับพระตำหนักเจ้าบอดก็จะมาตามเสด็จด้วยอยู่เสมอ